เรื่องทรงอนุญาตให้เก็บรักษาเสนาสนะสมัยนั้นวิหารหลังใหญ่ของสงเกิดชำรุดภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่นำเสนาสนะออกไป